คำวา่าเก็บอารมณ์นี่หมายถึงการมารวมมากขึ้นนะฮะรวรวมอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเพราะบางทีใจของเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดพอเราจะหยุดให้มันมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ไม่เป็นเราก็เลยเอาความรู้สึกเนี่ยการกระทำเนี่ยมามาล่อมันไว้นะเพรา ะ, ะนั้นตัวรู้สึกตัวที่ ที่มีอยู่ตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยทุกส่วนที่เรารู้สึกได้อ่าจะมีสองอย่างความรู้สึกที่เป็นรูปกับความรู้สึกที่เป็นนามความรู้สึกที่รูปรเรียกว่ารูปนามนะที่เราเคลื่อนเราไว้เรายกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนามความรู้สึกที่เป็นในรูปเรียกว่ารูปนามความรู้สึกที่เป็นในนามเรียกว่านามรูปความรู้สึกที่เป็นในนามจะเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกเฉย ความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นคนรู้สึกทางทางใจนะแต่ความรู้สึกที่เป็นทางกายเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาเรียกว่าเจ็บปวดอเคสยอกคันนะเจ็บตรงนั้นปวดหนักปวดเบานี่เป็นความรู้สึกทางกายแต่ถ้าเราไม่ ไม่เจริญสติเราจะแยกกันไม่ออกเราก็คิดว่าความรู้สึกทางกายก็คือความรู้สึกทางจิตความรู้สึกทางจิตก็คือความรู้สึกทางกายแยกกันไม่ออกแต่พอมันเจริญสตินี่เราดูอะไรเป็นความรู้สึกทางกายส่วนใหญ่พอกายไม่สบายใจก็ไม่สบายด้วยเราดูไม่เป็นพอใจไม่สบายกายก็ไม่สบายด้วยแยกไม่เป็นเหมือนเราจะแยกน้ํากับน้ํานมเนี่ยความจริงในในน้านมเนี่ยน้ำนมขุ่นๆขาวๆเนี่ยมันมีน้ําใสอยู่ มีน้ำใสอยู่ที่นี่ถ้าหาก็เราแยกไม่เป็นเราก็นึกว่าเราก็เรียกน้ํานมแต่คนจริงในน้ํานมมันมีสองอย่างน้ํากับนมถ้าแยกนมออกแล้วเน้นนมมันจะเป็นผงใช่ไหมแยกน้ําออกแล้วเน้นน้ำก็เป็นน้ําใสพอน้ํากับนมมารวมกันมันก็เลยเป็นน้ําขุ่นน้ําขาวเรียกว่าน้ํานมกายหรือรูปเนี่ยเหมือนกับนมน้ําน้ำเนี่ยมันก็เหมือนน้ำใสใสเนี่ย เราก็มารวมกันเรียกว่าน้ำนมเหมือนก็รูปนามนะมันก็รูปน้ำทีนี้แยกกันเพื่อเพื่ออะไรแยกกันเพื่อให้เห็นว่านมเนี่ยเราเก็บได้ไม่นานใช่ไหมเปิดทิ้งเอาไว้ถ้าไม่ไม่อยู่ในกล่องนะถ้าเปิดทิ้งเอาไว้สักวันสองวันนมก็เสียนมก็บูดล้นะทีนี้เราจะ <c oughs> ทำไงไ ม, ไ, มไม่ให้มันเสียตลอดไปได้ไหม นมกล่องเนี่ยถ้าหากว่าเอาออกจากกล่องแล้วมาให้มันเสียได้ไหมเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะที่เดียวถ้าเราอยู่กับบ้านอยู่กับคนเดียวเนี่ยมันไม่มีไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรนะมันก็ไม่เสียนะเหมือนการนมมาอยู่ในกล่องถ้ายังไม่เปิดมันก็ยังไม่เสียถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ไปติดต่อคนอื่นไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปพูดกับใครอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ แต่พอเราออกไปเนี่ยมันมีเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วเกิดขึ้นเรื่องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็ต้องไปสัมพันธ์กับคนอื่นไปทําเรื่องอื่นมันก็มีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องได้เรื่องเสียเกิดขึ้นใจเราเหมือนกันถ้ามันเปิดตัวเปิดใจออกไปแล้วเนี่ยก็มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นเราจะทํายังไงที่เปิดออกมาแล้วมันไม่เสียมันก็ยังแยกออก แยกให้รู้จักกายให้รู้จักใจรู้จักลูกให้รู้จักน้ำใช้ให้เป็นเหมือนกับเราเอาเครื่องมาแยกออกตัวนมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบุญเอาน้ําออกอีกมันก็จะกลายมาเป็นเนมเป็นเนยเอาไปแห้งจากแห้งก็กลายเป็นก้อนเป็นผงน้ําก็เป็นน้ําใสๆเฉยๆเนี่ยทีนี้พอแยกนมออกเป็นผงไว้เนี่ยเก็บไว้เป็นปีมันก็ไม่เสียที่เป็นผงนม น้ำที่ใสๆเก็บไว้เป็นสิปียี่สิปีมันก็ไม่เสียเห็นไหมพอแยกกันแล้วเนี่ยมันไม่เสียนะแต่เมื่อไรถ้ามารวมกันเนี่ยเก็บไว้นานๆไม่ได้มันเสียกายกับใจเหมือนกันถ้าหากว่าเราแยกไม่เป็นเนี่ยอะไรมากระทบกายใจก็เจ็บไปด้วยใครมาว่าให้เราเจ็บใจกายก็เจ็บไปด้วยนี่เขาเรียกว่าเสียตรงนี้เสียตรงที่แยกไม่เป็นแต่ถ้าเราแยกเป็นไปยังไง เรานั่งนามันปวดขนาดไหนเราก็รู้สึกเท่านั้นเองใจก็ไม่ปวดไปด้วยใจก็ไม่เบื่อไปด้วยใจก็ไม่งุศงีดไปด้วยเพราะใจเราไม่ได้ไปไปเป็นกายนี่เราแยกออกหรือเรามีอะไรมากระทบจิตจิตเราพอใจไม่พอใจกายก็ไม่ได้จิตเจ็บไปด้วยเราก็ดูนี่เรียกว่าเป็นการแยกออกนั้นวิธีการปฏิบัติของพ่อเทียนเนี่ยท่านจะให้แยกให้ชัดๆให้เห็นชัดๆว่าเออนี่รูปนะอันนี้นามนะ อ น, นี้ควรู้สึกทางกายนะอันนี้คนรู้สึกทางจิตเห็นให้ชัดๆอย่างเนี้เวลาเราไปเกี่ยวข้องติดต่อสัมพันธ์ไปทําการทํางานถ้าเห็นกายให้ชัดเห็นใจแยกของใายของมันเนี่ยใจเราจะไม่เสียใจยังไม่ขุ่มีอะไรใครมาว่ามากระทบกระแทกแดกดันเราก็เฉยเพราะอะไรเพราะมันอันนั้นเป็นเพียงเพียงรูปมากระทบเราก็รักษานามของเราไว้ไม่ให้นาม ของเราเนี่ยไปไปับเอามาเหมือนน้ำที่เรารักษาน้ำใสๆเอาไว้ถ้าใครจะเอาฝุ่นเอาผงมาโยนใส่น้าเราอยู่ในขวดเนี่ยน้ามันก็ไม่ขุนนะแต่ถ้าเราเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ใครจับอะไรมาโยนใส่น้าไปยัไงน้ำก็ขุนน้าก็ขุนน้าก็เสียเหมือนกันถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวชัดๆเอาไว้เนี่ย ใครจะเอาคําพูดดีไม่ดีใครจะเอาการกระทาดีไมดีมากระทบกระแทกตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เราก็ไม่รู้สึกขัดข้องขุ่นมัวเพราะรักษาใจเอาไว้ไม่ไปรับเอามานี่เขาเรียกว่ารักษานามนะทีนี้ไอ้การจะรู้จักรักษาอย่างเงี้ยให้มันเป็นส่วนใครส่วนมันได้มันจะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นตัวเข้าใจเส้อก่อน ตรงนี้มันยากตรงนี้ถ้าเราไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิปัญญาให้มากๆเนี่ยมันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอะไรมาก็ป้องกันไม่ได้ต้องขุนต้องมัวเขาว่าเขาด่าเขาดูถูกนินทาก็คอยขุนมัวไปเขานี่ไม่ยควาว่าเรารักษาใจไม่เป็นไม่ได้เก็บน้ำไว้ในขวดนะไม่สมัยมาไปหาหลวงพ่อเทียนถามท่านเรื่องลูกเรื่องน้ําท่านชูขวดน้ําให้ดู ท่านบอกว่าถ้าขวดนี่ไม่ปิดเป็นยังไงเวลาโยนมันค่วมมันหกไปเนี่ยน้ําก็ไหลหมดก็ไหลหนีหมดแต่ถ้าเราปิดขวดแล้วเป็นยังไงน้ํานั้นก็สะอาดอยู่ใครจะเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ไม่คุนเพราะมาฝามันปิดอยู่เวลามันหกมันลม้มมันค่วมลงไปน้ําก็ไม่ไหลหนีเพราะมีฝาปิดอยู่ใจแล้วเหมือนกันถ้ามีสติคอยรักษาอยู่นี่นะถ้ามีอะไรมากระทบกระแทกใจของเราก็ไม่คุน หรือใจมันคิดไปแล้วก็รู้มันก็ไม่ไปนะรู้มันก็ไม่ไปเพราะมีฝาปิดอยู่เหมือนกับน้ามันหกมันข่มพ่วมมันล้มมันก็ไม่ไหลนะใจเราก็ใสอยู่งั้นดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติที่เพื่อให้เห็นกายเป็นกายเห็นใจเป็นใจเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามให้ชัดๆแต่ถ้าเราเห็นไปชัดแล้วมันมาปนกันทุกที เวลาเขาว่ามาแทนที่เขาจะว่าลูกว่าน้ำแต่เขาว่าเราทุกทีเวลาเขาด่ามามันถูกเราถูกเราทุกทีมันไม่ถูกลูกถูกน้ำเพราะเราแยกไม่ออกนะมันเขาโยนของมานะ่ะมันตกเข้าไปในน้ำทุกทีมันไม่ได้ถูกขวดเพราะน้าไม่ได้อยู่ในขวดน้ำไปอยู่ในหางกระถางที่ไม่ได้ปิดเอาไว้มีอะไรตกมาตกไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าน้าก็เสียใบ ไ, ไม้ตกไปขยะตกไปแช่ไปไม่ทีวันน้าก็ ขุ่ก็คนก็เสียละกายกับใจของเราเหมือนกันเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดีๆมากระทบกระแทกใจก็ผิดปกติแล้วผิดปกติคือชอบไม่ชอบไอการที่มันชอบไม่ชอบนั่นแหละมันผิดปกติแล้วอย่างน้ําเนี่ยปกติของน้ําเนี่ยมันไม่ได้ขุ่นมันไม่ได้เปเรี้ยวไม่ได้หวานมันมีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสในน้ําเลยนะ มันค่อยใสไม่มีสีกี่รสแต่พอมีอะไรตกเข้าไปสีก็เริ่มเปลี่ยนรสก็เริ่มเปลี่ยนใจเราเหมือนกันใจของเราซื่อๆเฉยๆเนี่ยพอมีลูกเสียงกิ่รสที่ดีๆมาก็เปลี่ยนไปในทางดีพอลูกเสียงกี่รสไม่ดีมาก็เปลี่ยนไปในทางไม่ดีเริ่มมีสีมีกินมีรสแล้วใจของเราก็ไม่ปกติดีบ้างชั่วบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้าง น, นิฟอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะ ชอบก็ผิดปกติชังก็ผิดปกติแต่ถ้าใจชื้นชเฉยเเนี่ยใครมาว่าก็เฉยเฉยใครมาชืน่นมาชมมาเชยก็เฉยเฉยไม่แสดงอาการชอบไปด้วยใครมาด่ามาว่าก็เฉยเยไม่แสดงอาการๆๆอาการรังเกียจเดียดฉันไปด้วย น, นี่ก็เรียกว่าใจปกติใจปกตินี่มันจะไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบแต่เมื่อใด ใ, ใจที่เปลี่ยนไปตามมาสิ่งกระทบนี้เขาเรียกว่าใจผิดปกติแล้วความทุกข์ก็เกิด กิเลสตัณหาก็เกิดอุปทานก็เกิดความทุกข์เข้ามาโดยอตัตโนมัติของมันดังนั้นการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติรปริพัสนานี่ไม่ใช่ว่าให้ฤทธิ์ให้ได้ฤทธิ์ได้เดชได้ปฏิหารอะไรนะแต่ให้ได้ใจเฉยเฉยกลับมาเท่านั้นให้ใจซื่อๆเฉยเฉยเนี่ยให้มันอยู่นั่นแหละถ้ารักษาใจซื่อๆเฉยเฉเอาไว้อย่างมีสติมีปัญญาก็ถือว่านั่นแหละผลของการปฏิบัติถ้าเรียกว่าเป็นภาวะที่ประเสริด ท่าน เ, เรียกว่าอริยะบุคคลเรืออริยะบุคคลคนไหนที่รักษากายรักษาใจไว้โดยที่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยใจยังดีอยู่ใครมาด่ามาว่าก็ยังใจก็ยังดีอยู่ใครมาชมมาเชยใจก็ยังดีอยู่ไม่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฝูไม่แฟกนี่ถือว่านั่นคนนั้นเป็นคนประเสริฐคนใจประเสริฐอยู่เหนือความดีเหนือความชั่วได้ยเขาเรียกอริยะบุคคลเรียกว่าอริยะเจ้าอริยะนี่แปลว่าประเสริฐ แต่ส่วนใหญ่เวลาลูกเสียงคิวเรามาสัมผัสแ ล, ล้วเราเป็นไปตามมันเขาด่าเขาว่าเขาตําหนิตีสีนินทาก็เฉยไม่ได้คิดปุงแต่งฟุ้งสั้นเสียใจไปกันนี่เขาเรียกมันจะเป็นประสาทละนะหรือเขาไปชมมาเชยมายกมาย่องก็ใจก็ปลืม้มก็ฟูกับเขาไปด้วยนี่ก็เป็นประสาทเหมือนกันนะถูกยกถูกยอดีใจมากๆเพราะฉะนั้นทวะขึ้นขึ้ น, นลงลงฟูฟูฟฟแฟบแฝบเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผิดปกติ แต่้าจิต ท, ที่ปกติจิตมันก็จะนิ่งเป็นกลางเขาเรียกอุเบกขานะจิตก็เป็นกลางยถาปุตตยานยานคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ขึ้นไม่ลงไปตามนั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ยานที่เราฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาถ้าถาไม่เกิดตรงนี้แล้วในปฏิบัติรรมจะได้ฤิ์ได้เศษได้ฌานได้หอ่หอเหอิหนเดนินอากาศฝังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีความหมายเพราะมันป้องกันใจไม่ได้ คนที่มีรูปมีเหรียญมีคาถาดีๆเนี่ยยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่ยังประมาทอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายไม่ใช่พระพุทธศาสนาผู้ชนาสอนให้เรารักษาใจให้เป็นรักษาใจเมื่อมีสิ่งมากระทบไม่เขาเรียกว่าไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งของความโลภเมื่อมีสิ่งมายั่วยุ มายอกยั่วรั่วยั่วยุใจเขาเราไม่เป็นไปตามด้วยนี่เขาเรียกว่าจิตวิเศษละเมื่อไม่ไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราความโกรธใครมายั่วมายุมาด่ามาทอมาดูถูกประมาทเหยียดหยามนี่เขาเรียกไม่โกรธในสิ่งที่มายั่วให้โกรดนี่เขาเรียกใจเพราะนั้นเขาเรียกใจปกติใจวิเศษละใจประเสริฐละไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะความหลง ก็คือ <au> ส <ge Clerk |nospeech|> ิ่งมายุ like running, ่ยย่อมมอมอให้หลงให้เปลินก็ไม่เพลินไปด้วยก็สามารถรักษาจิตให้นิ่งให้สงบได้นี่เขาเรียกว่าจิตนั้นเป็นจิตห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์ได้แลแต่มาฝึกเพื่อให้ได้อันนี้นะไม่ได้ฝึกเพื่อให้บุญกุศลไม่ให้ได้อะไรถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นมรรคผลนิพพานในตัวเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามมันเป็นมรรคผลนิพพานในตัวของมันนะดังนั้นเองทําไมชาวพุทธของเราจึง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมีการอบรมกันมากมีการปฏิบัติกันมากมีการศึกษาเรียนในคําสอนของพระพุทธเจ้ากันมากแต่ทําไมเวลามีปัญหามาแก้ไขไม่จบ ก, ก็เพราะว่ายแยกแยะกายแยกใจไม่เป็นแยกรูปแยกน้ำไม่เป็นอะไรมากระทบนี้กรทนก็เป็นไปกับอันนั้นความดีความสิ่งที่ดีๆมากระทบก็เป็นไปความดีอันนั้นสิ่งที่ร้ายมากระทบก็เป็นไปความร้ายอันนั้นนี่เขาเรียกรักษาใจไม่เป็นใจเป็นไปตามสิ่งกระทบอยู่เรียกว่าสติ ยังไม่กล้าปัญญายัางไม่พอสติยังไม่เท่าปัญญายัางไม่ทันแต่ถ้าหากว่าคนปฏิบัติได้นั้นอะไรมากระทบเมือ่อใดก็ตามไม่ใช่ว่าเป็นบางคราวนะหมายความว่าอะไรมากระทบเมือ่อใดก็ตามราคะโทสะโมหะมากระทบเมือ่อใดก็ตามจิตก็ยังนิ่งจิตก็ยังเฉยอยูน่นั้นเรียกว่ารักษาใจไว้ได้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐเป็นอริยะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ เป็นบางคราวบางครั้งแล้วนะตลอดนะทุกครั้งถ้าหากว่าคนไหนทำได้ถึง 25% เรเรียกว่าคนนั้นเป็นภูมิเป็นพระโซดาบันแล้วคนไหนรักษาใจไม่ให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งมากระทบถึง 50% เอร์เซจะเรียกว่าเป็นพระสะกิทาคามีคนไหนรักษาใจไว้ได้ต่าสิ่งกระทบมากระทบแล้วไม่จิตใจไม่เปลี่ยนแปลงถึง75ปเซเรียกว่าเป็นพระอนาคามี คนไหนรักษาใจไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดลอ้อมกระทบทั้งภายนอกภายในร้อเปอร์เซนต์เเลิกเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมคุณภาพของของการปฏิบัติมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่รักษาใจไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้แปรผันไม่ให้ขึ้นให้ลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นใครมือเปอร์เซนต์สูงก็รู้ธรรมะได้สูงเคยมีปเปอร์เซนต์ต่าง เขรู้ธรรมะได้ต่าใครไม่แม่เปอร์เซนอะไรมากระทบยังชอบยังโลภยังหลงอยู่แม้จะบวชมาร้อยพรนสาก็ไม่มีความหมายการบวชมีแต่ประเพณีเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณภาพของการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้ทำใจให้เห็นแจ้งในสิ่งที่มากระทบทางรูปทางนามสีเมื่อกระทบรูปเสียงกิริยสัมผัสอารมณ์ก็ยังเป็นรูปอยู่ต่อไปเมื่อมากระทบแล้วเรานําไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่ง มันก็เป็นนามเข้าไปรับเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรารับรู้สิ่งที่มากระทบเราไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆมันก็เป็นเพียงรูปนามมารูปไม่เกิดนามไม่รูปไม่เกิดจิตมันก็เป็นอะไจิตมันก็เป็นตัวพุท ธ, ธะรู้ตื่นเบื่อบานนะอะไรมากระทบก็รู้ตื่นเบิ่บานอยู่เสมอเหมือนกับเราจุดไฟเอาไว้ถ้าลมมาพัดถ้าไฟไม่ดับ ไฟนั่นก็ปลอดภัยสว่างอยู่เสมอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราจุดเทียนไว้ไม่มีอะไรบงัลงลมากระทบมันจะไม่ดับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจุดเทียนไว้เราไม่อยากจะให้มันดับเวลาลมมาแรงๆทําไงก็ต้องหาอะไรมาบังเอาไว้หาหลอดหาแก้วมาบังเอาไว้ไฟก็ยังสว่างอยู่ทีนี้เราก็พัฒนาไฟตัวนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจากแรงเทียนไฟเทียนจุดมาเป็นแรงเทียนไฟฟ้าแบบเนี้ พอเป็นแรงเคียนไฟฟ้าเนี่ลมพายุมาเข้าไหนมันก็ไม่ดับละมันเป็นอัตโนมัตินะตัวรู้สึบตัวนะตัวรู้เท่ารู้ทันเนี่ยพัฒนาให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติอารมณ์มันจะแรงขนาดไหนราคะโธสะโมหะแรงขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงจิตนั่นก็ยังนิ่งยังเฉยอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็นปรมัติเป็นออโต้เป็นปรมัตนี่ดังนั้นเราจะเห็นว่าคุณธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้เกิด ขรัมศักดิ์สิทธิ์ริดเด็ดปฏิหารแต่มุ่งให้เกิดการละการวางในสิ่งที่มากระทบทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทั้งกุศลอกุศล ท, ทั้งบุญทั้งบาปได้จิตมันก็เป็นกลางนี่มีแค่นี้ดังนั้นเวลาไปปฏิบัติเนี่ยให้สังเกตให้ดีมันเจ็บก็ดูว่าอะไรเจ็บขามันเจ็บหรือใจมันเจ็บวเวลามันเบื่อขึ้นมาดูว่าใจมันเบื่อหรือกายมันเบื่อเวลามันคิดขึ้นมาก็ดูว่า ใจมันคิ ด, ดหรือกิเลมันคิดนะดูให้ชัดๆไม่ไม่ไม่รีบเปลี่ยนแปลงให้สังเกตนะเพราะนั้นปฏิบัติมาได้สามสี่วันเดิมนั่งได้นานแล้วเดินได้นานถ้ามันทุกข์มันปวดบ้างก็ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนให้ดูมันว่าไอ้ขณะที่เราเจ็บเระปวดครั้นี้อะไรมันปวดพิจารณาลงไปแต่ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็เปลี่ยนไปตามสัรชาติยานพลิกป๊อกแ ป, ป๊ป ป, ป, ป, ปปไปเลยนี่แสดงว่าเราไม่ไม่มีปัญญาพิจารณาเราก็เลยทนไม่ได้ แต่ถ้ า, าว่าเรามีปัญญาพิจารณาเราจะทนได้นานเนาอันนี้กําลังปวดนะอันนี้กำลังเบื่อนะอันนี้กำลังเมื่อนะอันนี้ปัญญามันเกิดพิจารณาเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาที่พูดไปเมื่อวา น, โ อ, น, น, อนาาโอ้มันเป็นอนัตตาโอ้มันเป็นอันนี้จังไม่ใช่ตัวเรานะมันปวดที่นี่ดูมันไปเรื่อยๆพอดูมันไปพิจารณามันไปปัญญามันเกิดนะนัตถิปัญญาอาชาญนปัญญาจะไม่เกิดสําหรับคนไม่พิจารณาปัญญายาบริ สุดชติตันว่าจิตของเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในการพิจารณาสิ่งที่เกิดเนี่ยความเจ็บความปวดมันก็พิจารณาพิจารณาไม่ใช่คิดเอานะคือกำหนดรู้ดูลงไปในสิ่งที่มันกำลังเกิดก็เรียกว่าธรรมวิจยะในคําว่าพิจารณาอาการนี่คือธรรมวิจยะคือดูอาการที่มันเกิดว่าอะไรมันกำลังเกิดเดี๋ยวเจ็บมาเดี๋ยวปวดมาเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวเหงามาเดี๋ยวง่าาว ง, งมาเดี๋ยวขี้เกียจมามันมาเรื่อยๆแหละ มะนแต่เราจะแปลเป็นไหมเปลี่ยนมันเป็นไหมธรรมะตรงนั้นถ้าเราแปลเป็นมันก็จะเป็นกุศลธรรมถ้าแปลมันไม่เป็นมันแค่เป็นอกุศลอกุศลธรรมถ้าเปลี่ยนเป็นมันก็เป็นกุศลกรรมถ้าเปลี่ยนไม่เป็นมันเป็นอกุศลกรรมเห็นไหมมันมาเป็นธรรมนะความงุ่งก็เป็นธรรมความโกรธก็เป็นธรรมความเหงาก็เป็นธรรมแต่มันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าปัญญาของเรา ถ้าปัญญาพิจารณาเห็นถูกต้องชัดเจนเป็นกุศลธรรมถ้าปัญญาไม่เกิดนะ่ะมีแต่ความอยากความเบื่อความงงความเงามีแต่ความคิดเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมตลอดเวลาจะเป็นธรรมฝ่ายโลกฝ่ายบุคคลเท่านั้นเองอยู่ที่เราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าใจดีเห็นแจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็แปลเปลี่ยนให้มันเป็นกุศลแปลเปลี่ยนไปนในสิ่งที่ดีทําจิตให้ปกติจิตไม่วอกแวกหวั่นไหวไปกับอาการที่มากระทบมันก็เป็นกุศลธรรมแต่จิตของเราวอกแวกหวั่นไหวในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเบื่อก็อาการแสดงอาการเบือบ่อเบื่อแจงเมื่อไหร่จะเลิกเสีทีเวลาปวดขึ้นมาโอ้ปวดแจงเมื่อไหร่จะเลิกเสีทีนี่ขเขาแล้วว่าเขาเป็นไปตามมันแล้วอกุศลก็เกิด น, นี่สาเหตุของการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะตรงนี้เอง เพราะตรงนี้เพราะคนที่ปฏิบัติก้าวหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงจากคนที่ขี้เกียจก็เป็นคนขยันขึ้นจากคนที่โอดโมโหง่ายก็เป็นคนที่ใจดีขึ้นจากคนที่เป็นขี้โลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็จะกลายเป็นคนเสียสละเอื้อแพรเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นาจากคนที่ชอบสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งไร้สาระก็เป็นคนมีสาระเป็นคนมีรู้จักเลือกใช้ เวลาและชีวิตให้ถูกต้องขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติได้ผลนะจากคนที่พูดไม่รู้จักกาลาเทศะก็รู้จักเลือกพูดมากขึ้นนะจากคนที่ใช้ชีวิตกินตามใจกินตามอยากปากตามท้องก็รู้จักเลือกมากขึ้นนี่ยมาชีวิตเราเชก็จะเปลี่ยนไปนั้นเรียวกว่าปฏิบัติได้ผลละ แต่ถ้าหากว่ากลับไปบ้านต้องอยังเหมือนเดิมเคยโลก็โลภเหมือนเดิมโกรธก็โกรธเหมือนเดิมอิจฉาลิสยาเหมือนเดิ ม, ม, ดมใจร้อนขี้บน่นชู้ชี้เหมือนเดิมปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีการพิจรารณาเมื่อมีการรักษาไม่มีการเฝ้าดูในการกระทําของตัวเองเป็นไปตามนิสัยกเก่าๆทั้งหมดธรรมะ ท, ที่ปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะดังนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีเพื่อฝึกฝน เอาสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยให้มันเป็นนิสัยนิสัยเวลาเราไปใช้ชีวิตประจำวันมันก็มีประโยชน์นะคนที่เคยเห็นเห็นเราเป็นคนหน้าบึง้งหน้าบูดอารมณ์เสียเรากลับไปบ้านเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเบิกบานเขาก็มีความสุขกับเราแต่หากเราไปบ้านหน้าบุง้งหน้าบูดหน้าเสียอารมณ์เสียเรื่อยๆเขาก็บอกอไปปฏิบัติธรรมะไ ป, ไปทําไมไม่เห็นได้อะไรมาเลย อย่างอารมเสียมันเดิมอย่างขี้โกรธมันเดิมอย่างขี้เกียจมันเดิมเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะเห็นคนไปปฏิบัติมาแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่อยากมาปฏิบัติพวกไปทําไมเสียเวลาทำมาหากินเขาก็จะว่าอย่างนี้แต่ถ้าเรากลับไปบ้านเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนขยนันเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีพูดเพราะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจดีรู้จักการละเทศเขาก็ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมมานี่ดีนะคนนี้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น ปีต่อไปเขาก็อยากมาด้วยดูที่คนนั้นไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเขาดีขึ้นนะแต่ลงไปดูที่เขาก็จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมมาก็ขยายกว้างกวางก็เรื่อยเพราะเขาเห็นคนที่ไปปฏิบัตินั้นเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าเขาไม่เห็นตัวอย่างที่ดีจากผู้มาปฏิบัติโอ้เขาก็ไม่มาโอ้ไม่มีเวลาคนนั้นไปต้องไม่รู้ขีดขั้งขีดผลก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขากจะว่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมาแล้วก็อยากจะให้มันมีการพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้น อันไหนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องถามก็ต้องอตรวจซักไซดได้เบียงนะว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเวลาไปปฏิบัติก็มีพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์คอยดูแลอยู่ถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกมันไม่เข้าใจมันงงมันเงามันเบื่อมันเซ็งก็อย่าไปแช่อ ย, อย่างนั้นเดินไปถามท่านเลยว่าเออนี่จะทําไงแก้ไงถูกไหมปฏิบัตินี้เข้าใจยี่ถูกไหมก็ถามท่านนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นพี่เลี้ยงไปคุมนะเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาให้ปรึกษาเฉยๆถ้าเราทําไปมันเพลินมันไม่รู้อะไรมันไม่เข้าใจแล้วเข้าไปถามท่านอันนี้ปล่อยให้พี่เลี้ยงดูทั้งวันแต่ว่าไม่เคยไปถามท่านเลยนะนั่งง่วงก็ง่วงอย่างนั้นนั่งเบื่อก็เบื่ออย่างงั้นนั่งเงงก็งงอย่างนี้นี่เรียกว่าไม่ใช้พี่เลี้ยงให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช้ท่านให้เป็นประโยชน์เราก็เสียประโยชน์ของเราดิ นั่งง่วงก็เสียประโยชน์นั่งเหงาก็เสียประโยชน์นั่งขี้เกียจก็เสียประโยชน์นั่งคิดปรุงแต่งคุ้งซ่านก็เสียประโยชน <c oughs> ์ทั้งๆที่เราเตรียมไว้ให้หมดลนะที่เลี้ยงก็เตรียมไว้ให้เวลามันง่วงมาแก้ไม่จบลุกขึ้นไปถามท่านเลยแต่ก็นั่งเหงาอยู่นั้นแงบแงบอยู่ดังนั้ น, น, นพี่เลี้ยงก็ต้องไปคอยเคาะนะเคาะให้ตื่นบางคนก็ยังไม่ยอมตื่นนะอามาก็แกล้งเล่นบางบางทีนะเอานั้นไปยื่นให้บางให้ตื่นตัวขึ้นมาเอา t h i ไปยื่นให้บางให้ตื่นตัวขึ้นมา มันมันทําได้แต่ให้เราพยายามมีความพยายามไม่ใช่ทําไปแล้วมันสุกมันเพลินก็เพลินไปเรื่อยมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ดูไม่แลแล้วมันอยู่ในความเพลินความเพลินนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะดังนั้นเองในช่วงวันนี้ไปนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบที่ยี่สิบแล้วใช่ไหม เราคือจำได้แม่นนะจำได้แม่นเลยในวันจะไปนี่จำได้แม่นเลย น, ะ น, ไไ น, ลยนับวันนับทั่มโมงเลยนะเมื่อไรจะจบเส่าทีนะเอามากแกล้งว่าทำยี่สิดูว่าจะวางเออเขาบอกยี่สิบสนี่จำแม่นกว่าทํามาอีกนะย่สิบนะเหลือวันนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เราจะตั้งใจคนไหนยังไม่ได้ตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียคนไหนยังไม่จริงจังก็ให้จริงจังเสคนไหนยังเลยสงสัยอยู่ก็รีบถามเสีย เราจะได้กลับไปบ้านเราจะาไปใช้ได้นะเราะฉะนั้นนักช่วงนี้ไปประมาณ40นาทีนะเป็นเวลาของการออกกำลังกายยมผู้หญิงก็ไปสลากลางมันเดิมเราเรากับอุบายศึกก็ที่ดีมันเดิมนะเพื่อจะได้แล้วก็เอาไปใช้นะที่ฝึกให้นะี่ไม่ใช่เอาไปทิ้งนะเอาไปใช้ให้ได้จําให้ได้เพราะท่านฝึกอะไร ก็อดทนเอาหน่อยเวลามันเจ็บมันปวดก็อดทนเอาหน่อยมันไม่ได้ของดีๆโดยที่ได้มาฟรีๆไม่มีหรอกมันต้องแลกเปลี่ยนเอาแลกเปลี่ยนนี่ก็เจ็บปวดหน่อยก็กทนเอาเจ็บปวดบ่อยๆมันจะไม่ปวดทําครั้งสองครั้งมันยังเจ็บยังปวด3าสี 5, ค่ครั้ง5้าครั้งครั้งขึ้นไปเราไม่ปวดแล้วทําได้สบายนะฉะนั้นมาก็เลยพยายาม ที่เราพยายามรักษาร่างกายไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้คุ้มค่าเพราะคนมันเกิดมายากอย่าไปรีบป่วยรีบตายหรือมันไม่ตายแต่ไปอยู่มีชีวิตอยู่ป่วยกระสอบกระแสะซกซกโซโซแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรทําอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ให้มันดี ม, นมีสุขภาพดีมีสติปัญญาแหลมคมมีกําลังกายเข้มแข็ ง, ขงสามารถช่วยเหลือตัวอื่นคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคนอื่ น, น, นให้อยู่ให้มันได้อย่างนั้น อันนี้ก็จะตายก็ไม่ตายจะดีก็ไม่ดีสกๆกโซๆนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นภาระของลูกของหลานเดี๋ยวเ็พาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไปหาหมอเดวยวุ่นวายกัอยู่ทั้งปีไม่จบเพราะมีชีวิตอยู่แบบไม่รักษาตัวเองให้หมอมารักษาให้ลูกให้หลานมารักษามมันมีประโยชน์น้อยอย่ะเหมือนกรถที่มันไม่ดีอ่ะจอดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นจะขับไปไกลเน่ยก็ไม่ได้เสียนะ มันชีวิตของเราอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้เราเปลี่ยนได้เราให้มันเข้มแข็งได้ก็ต้องต้องทำอย่างจะมาเป็นพระอย่างมาก็ไม่ประมาทนะกินน้อยนอนน้อยแล้วก็ทําในสิ่งที่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นอย่าไปอย่าไปทำอันไหนมันจําเป็นก็ต้องทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดอันไหนมันจําเป็นนั่นเนนงเจเริญสติเรียนจงกรมดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาไปหมุกมุ่นในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ นั่งดูหนังทั้งวันนั่งดูข่าวทั้งวันเล่นเกมทั้งวันนั่งดูทัท้่านเสียเวลาเสียสายตาเสียสุขภาพถ้าจะนั่งก็นั่งสมาธิถ้าจะเดินเดินโดยที่ไม่มีเป้าหมายก็ยอย่าไปเดินให้เสียเวลาเพราะชีวิตของเรามันมีเวลาน้อยอย่าไปทําอะไรเปล่าๆพี่ๆไม่ได้ต้องทําให้มันเกิดประโยชน์จะทําอะไรสักอย่างนี่มันจะได้สติไหมจะเกิดปัญญาไหมคิดก่อนจะลงมือทําำนี่มันจะได้สติมันจะได้ปัญญาไหม เพราะฉะนั้นพยายามนึกถึงวันเวลาของชีวิตมันสั้นอย่าเอาเวลาไปเสียโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะคิดไปตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้นั่งสมาธิดีกว่าไปแล้วมันไม่ได้อะไรไปแล้วเหนื่อยเฉยๆไปนั่งดูหนังฟังเพล ง, พงไปนั่งดูหนังซือพิมพ์โทรทัศน์เสียเวลาเสียสายตาเสียสุขภาพจิตเพราะอะไรข่าวที่ออกมาทำโทรทัศน์หนังซื้อพิมพ์มันไม่ได้ข่าวดีเป็นข่าวอากุศลทั้งนั้นทําให้จิตเราเสียทั้งนั้นเราจะไปอ่านหนังซือพิมพ์ไม่อ่านหนังซื้อธรรมะดี่ฝ่านะ ดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักประหยัดชีวิตอย่างนี้ชีวิตก็จะมีคุณค่านทุกวันบางทีใช้ชีวิตมา 56- า0ิบหแล้วเนี่ยยังไม่เกิดประโยชน์ดไดลเลยเพราะเราไม่รู้จักพัฒนาคุณค่าให้กับชีวิตเราใช้ชีวิตในทางที่ไร้สาระทุกวันชีวิตของเราก็ตกเป็นทาสของความทุกข์ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ไม่หย่อนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตก็มีประโยชน์น้อยเป็นภาระประเทศชาติก็ไม่พัฒนาประเทศชาชาติก็ด้อยพัฒนาใ น, นเมื่อชีวิตมีคุณภาพน้อยประเทศชาติก็ พัฒนาไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนประเทศชาติก็ยากจนขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเอาเอาธรรมะเข้ามาพัฒนาสร้างคุณภาพคุณภาพคุณภาพเพิ่มให้กับชีวิตของเราใช้เวลาทุกวินาทีถามตัวเองอยู่เสมอก่อนที่จะหยิบยื่ยนมือแขนออกไปทำอะไรทําให้เกิดสติหรือเปล่าเกิดปัญญาไหมทําอะไรที่มันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอย่าไปเสียเวลาทําอย่าไปเสียเวลาฟังอย่าไปเสียเวลาพูด ต้งถามตัวเองว่าทำเงี้ยเกิดสติไหมเกิดสมาธิไหมเกิดปัญญาไหมถ้าเกิดสติสมาธิปัญญาทำลงไปเลยแต่เช็คอยู่แล้วมันไม่เกิดสตินีกไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาหยุดมาเดินชมกลมสร้างจังหวะนั่งทําสมาธิดีฝาดยังจะมีความสุขมากกว่านะเพราะฉะนั้นลําดับตอนนี้ไปนะเราไปอบรมการกลับมาพัฒนกันตอนนี้